วันนี้เป็นวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบุญัตวผู้มีจิตใฝ่ธรรมใฝ่ศึกษาใฝ่หาความรู้จากพระพุทธศาสนาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนเพื่อที่จะได้บำบัดความทุกข์บำบุงความสุขให้กับชีวิตของตนการที่ พวกเรานั้นยังต้องเจอกับความสุขและความทุกข์อยู่อย่างต่อเนื่องทั้งทางกายและทางใจก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้จักวิธีบำบัดทุกข์บำรงบำรงสุขให้แก่ร่างกายและจิตใจ ของพวกเราและไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์อาจจะทำบ้างแต่ยังไม่มากพอถ้าเรายังต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่นั่นเองถ้าเราอยากที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปจากใจเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและอย่างเต็มที่ให้เต็มร้อย ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ได้เต็มร้อยที่เรียกว่าสุปฏิปันโนหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเราก็จะได้สามารถกำจัดความทุกข์ทางจิตใจให้หมดสิ้นไปได้จากนั้นสิ่งที่เราต้องหมั่นเพียรขยันทำกัน ในขณะนี้ก็คือหมั่นศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงกำหนดวันศึกษาธรรมไว้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือวันพระวันธรรมัสวนะวันฟังธรรมพวกเราก็ต้องมีการฟังเทศฟังธรรม มีการศึกษาพระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือมากไปกว่านั้นก็ได้เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนี้เราสามารถเข้าหาธรรมะได้ง่ายกว่าในสมัยพระพุทธกาลนั่นเองในสมัยพระพุทธกาลไม่มีสื่อต่างๆอย่างที่เรามีกัน คือหนังสือธรรมะเยหรือการเข้าผ่านทางสื่อสารทางวิทยุทางอินเทอร์เน็ตเราสามารถเข้าหาธรรมะได้ตลอด24ชั่วโมงและทุกวันทุกเวลาดังนั้นเราต้องถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีที่ ได้มีโอกาสเข้าหาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดายและได้ทุกเวลาที่เราต้องการในสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีสื่อสารต่างๆจำเป็นที่จะต้องไปวัดเพื่อไปฟังคำสั่งคำสอนจากพระพุทธเจ้าเองก็ดี หรือจากพระ อ, อริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าก็ดีถึงจะได้ยินได้ฟังธรรมกันแต่สมัยนี้เราสามารถฟังธรรมได้ทุกวันทุกเวลาที่เรามีเวลาว่างจึงควรที่จะ <c oughs> มันศึกษาธรรมอยู่เรื่อยๆให้เราเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรบ้างในการ บำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ชีวิตของเราคือให้ทั้งร่างกายของเราและจิตใจของเรานี้ให้ปราศจากความทุกข์และให้มีแต่ความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ถ้าเราได้เรียนรู้วิธีจากพระพุทธทเจ้าก็ดี จากพระ อ, อริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าก็ดีเราก็จะนำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะค่อยๆหมดไปความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาตามลาดับเพราะความสุขกับความทุกข์นี้เป็นเหมือน เหรียญสองด้านถ้ามีถ้าเหรียญอยู่ด้านบนเหรียญเหรียด้านล่างก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันความทุกข์กับความสุขนี้เป็นเหมือนเหรียญสองด้านถ้ามีความทุกข์ก็จะไม่มีความสุขถ้าไม่มีความทุกข์มันก็จะมีความสุขโผล่ขึ้นมางั้นถ้าเรา ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะกำจัดความทุกข์ต่างๆและเมื่อเราได้กำจัดความทุกข์ความสุขต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำในเบื้องต้นก่อนก็คือต้องพยายามหาเวลา มาศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆสมัยนี้เราไม่ต้องรอให้วันพระมาแล้วเราค่อยศึกษาธรรมะกันเราสามารถศึกษาได้ทุกวันเช่นหนังสือธรรมะที่ญาติโยมรับไปก็เอาไปอ่านได้อ่านวันละชั่วโมงก็ได้หรือฟังเทศฟังธรรมที่มีการบันทึกไว้เป็นเป็นบันทึกเสียง ในสื่อต่างๆก็เปิดฟังได้หรือมีโอกาศว่างก็มาฟังเทศที่วัดก็ได้ข้อสำคัญต้องต้องศึกษาต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้เราจะไม่รู้วิธีบำบัดทุกข์บำยุงสุขให้แก่ร่างกายและจิตใจของพวกเรานั้นทำกันอย่างไร อันนี้คือเบื้องต้นคือเราต้องศึกษาก่อนเมื่อศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์ของทั้งทางร่างกายและจิตใจนะี่หายไปแล้วเมื่อไม่มีความทุกข์ความสุขมันก็ปรากฏขึ้นมาเองไม่จำเป็นที่จะที่จะต้องไปหาความสุขกัน ความสุขอยู่ข้างหลังของความทุกข์ถ้าเรากำจัดความทุกข์ที่อยู่ข้างหน้าได้ความสุขมันก็จะตามมาเองดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือวิธีบาบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่ร่างกายและจิตใจเพราะชีวิตของเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจ ซึ่งวิธีบำบัดทุกข์บำบังสุขให้กับร่างกายและจิตใจนี้ก็ไม่เหมือนกันจาเป็นจะต้องรู้จักวิธีบำบัดทุกข์บำบงสุขให้กับร่างกายและต้องรู้จักวิธีบำบัดทุกข์บำบงสุขให้แก่จิตใจตามหลักที่พสสระเจ้าทรงสอนเรื่องของการบำบัดทุกข์บำบงสุขให้แก่ร่างกาย ก็คือการใช้ปัจจัยสีนี่ปัจจัยสี่ก็คือเครื่องที่เครื่องอยู่ของร่างกายร่างกายนี้ถ้าขาดปัจจัยสีแล้วร่างกายก็จะทุกข์และในที่สุดก็อาจจะตายได้แต่ถ้าร่างกายมีปัจจัยสี่ไว้คอยหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆความทุกข์ ที่เกิดทางร่างกายก็จะหายไปแล้วก็จะทำให้มีความสุขทางร่างกายตามมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องหากันต้องมีกันก็คือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ของร่างกายก็สิ่งแรกก็คืออาหารที่พวกเรารับประทานกันทุกวันวันละสามมือ้อสี่มื้อ แล้วก็เครื่องนุ่งหม่มคือเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ร่างกายจำเป็นที่จะต้องมีเสื้อผ้าไว้ปกปิดร่างกายป้องกันภัยจากความหนาวเย็นป้องกันภัยจากมาแมลงสว์กัดต่อยเป็นต้นนะเพื่อปกปิดร่างกายไม่ให้ดูประเจดิดประเจอด ไม่ให้ดูร่อนจ้อนเพราะมนุษย์นี้เป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้เรื่องของความความความเหมาะสมของการปกปิดร่างกายของตนแล้วก็ข้อที่สี่ข้อที่สามก็คือ ที่ว่าใสไว้สำหรับหลบแดดหลบผลหลบภัยต่างๆแะปัจจัยข้อที่สี่ก็คื อ, <c oughs> อยารักษาโรคพราร่างกายนี้ก็ต้องมีเวลาที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจากภัยต่างๆพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมียามารักษา ถ้าไม่มีรักษาโลกก็ จ, จะไม่หายและอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องหากันก็คือปัจจัยสี่ในการหาปัจจัยสีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พวกเราใช้หลักมักน้อยสันโดรเพราะว่าถ้าเรา ใช้หลับของความฟุ้งเฟวอฟึ่งเฟ้ อ, ฟฟอเหอ่อเหมมันจะเป็นตัวที่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยใช่เหตุเพราะว่าการจะเลี้ยงดูร่างกายด้วยความมากน้อยสันโดษหรือด้วยความฟุ้งเฟ้อเหอ่อเหมด้วยความหรูหรา มันก็ได้ผลเท่ากันแต่ผลที่เสียที่จะตามมาถ้าเราเลี้ยงดูร่างกายแบบฟุ้งเฟอ้อก็คือเราจะไปสร้างความทุกข์สร้างความกดดันให้แก่จิตใจผู้ที่ที่จะต้องไปหาปัจจัยสี่ที่ฟุ้งเฟอ้อเข้ามาดูแลต่ อ, อของฟุ้งเฟอ้อหรือของฟุ่งเฟอือย ของที่หรูหราั้นมันมีราคาแพง่าของที่เป็นของเรียบง่ายสำหรับร่างกายนี้มันไม่สนใจว่าอาหารที่จะให้ร่างกายกินนี้จะมีราคาแพงหรือราคาถูกเสื้อผ้าที่ร่างกายสวมใส่นี้ร่างกายไม่สนใจว่าจะต้องเป็นราคาแพงหรือราคาถูก จะต้องปเป็นแบรนด์เนมหรือไม่เป็นแบรนด์เนมสิ่งอันนี้ร่างกายไม่สนใจไม่รู้ไม่มีผลต่อสร้างกายใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมกับใส่เสื้อผ้าที่ไม่ใช่แบรนด์เนมก็ทำหน้าที่ปกป้องร่างกายได้เหมือนกันกินอาหารที่ราคาถูกอาหารที่อยู่ตามข้างถนน เรื่องอาหารตามพัฒตาร ร, ารู้หละร่างกายมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันกินอาหารจากที่ไหนร่างกายมันก็ได้อาหารเหมือนกันดับความผิวให้แก่ร่างกายได้เหมือนกันแต่สิ่งที่จะไปทำให้เกิดผลเสียก็คือต่อจิตใจเพราะจิตใจนี้จะต้องเป็นผู้ไปหาเงินทอง เพื่อที่จะมาซื้อของแพงๆเพื่อมาดูแลร่างกายนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการที่จะบำบัดทุกข์บำรงสุขทางร่างกายและจิตใจควรให้ใช้หลักวิธีของความมากน้อยสันโดษเพราะความมากน้อยสันโดษนี้จะไม่ไปสร้างความทุกข์ ไม่ไปกดดันให้จิตใจนี้ต้องดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายเกินความจำเป็นนั่นเอ ง, งสอนให้ <c oughs> ใช้ความมักน้อยคือให้มีน้อยที่สุดมีเท่าที่จำเป็นสนั้นโดยก็คือถ้าหาหาเท่าที่จำเป็นไม่ได้ได้น้อยกว่า ที่จำเป็นก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดไปอย่าไปวุ่นวายไปกับการหาปัจจัยสี่มากจนเกิดสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาคือการหาปัจจัยสี่นี่โดยสรุปก็คือหาปัจจัยสี่เพื่อไม่ให้สร้างความทุกข์ให้กับใจหาความหาปัจจัยสี่เพื่อบาบัดความทุกข์ทางร่างกายแต่ไม่ให้ เป็นตัวที่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะเป้าหมายของการปฏิบัตินี้ก็คือเป้าหมายของการบําบัดความทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจนั่นเองถ้าถ้าเราใช้ไม่ใช้ความมากน้อยสันโดษนี้ถ้าเราไปใช้ควา ม, มพุ่มเฟือยความหรูหราเป็นการบํำบัดทุกข์ทางร่างกาย มันจะมีผลเสียต่อทางจิตใจมันจะใบกดดันให้จิตใจต้องเครียดกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อของแพงๆเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายเงั้นขอให้ใช้ของถูกแต่มีประโยชน์เท่ากันของถูกของแพงที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้บำบัดทุกข์บำบัสุขให้กับร่างกายได้ก็ ถือว่าใช้ได้แล้วอาหารมื้อละห้าร้อยหรือมื้อละห้าพันมันก็เป็นอาหารมื้อหนึ่งเหมือนกันรับประทานแล้วมันก็ทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันแต่ข่าใช้จ่ายมันมากห้าพันกับห้าร้อยทำให้ใจผู้ที่จะต้องหาเงินหาทองนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นทุกข์ยากลาบากมากขึ้น เพราะการหาเงินหาทองนี้ไม่ใช่เป็นของที่หาได้ง่ายๆไม่เหมือนกับฝนที่ตกลงมาจากบุญฟ้าเงินทองแต่ละบาทนี้กว่าจะหามาได้นี้ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทุกทรมานจึงไม่ควรที่จะใช้เงินทองที่หามาได้ยากนี้ไปอย่างง่ายดายกับสิ่งที่มันเกินความจำเป็นพระพทุทธเจ้าจึงสอนให้เรามักน้อยสันโดษ ในปัจจัยสี่อาหารก็พอให้มันบำบัดความหิวได้<ม>เสื้อผ้าก็พอให้ใช้ปกปิดร่างกายป้องกันภัยต่างๆได้ที่อยู่อาสัยก็พอหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้จะเป็นบ้านซื้อเองหรือจะเป็นบ้านเช่าก็ไม่เป็นปัญหาเลย ตายไปเราก็เอาบ้านไปไม่ได้อยู่ดีเช่าบ้านนี้มันน่าจะสะดวกจะสบายกว่าความกดดันมันอาจจะน้อยกว่าการที่จะซื้อบ้านซื้อบ้านนี้จะต้องเสียเงินเสียทองมากกว่าตายไปก็ทิ้งให้คนอื่นเขาอยู่แต่ถ้าเช่าบ้านตายไปก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้ใครถ้าเช่าก็น้อยกว่าค่าซื้อบ้าน ยารักษาโรคโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันเราโชคดีเรามีโรงพยาบาลของรัฐบาลที่จะดูแลรักษาพยาบาลร่างกายของพวกเราโดยใช้ใช้ค่าใช้จ่ายเพียงไม่มาก30บาทรักษาได้ทุกโรคหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุก็มีบัตรทองรักษาฟรีก็มีทำไมจะต้องไปเสียเงินเสียทองให้กับโรงพยาบาลเอกชน เพราะว่ายาก็ยาแบบเดียวกันหมอก็หมอที่เรียนมาจากะถาบันอันเดียวกันรักษาหายก็หายเหมือนกันรักษาไม่หายก็ตายเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วจะไม่ตายไม่ใช่ว่าคนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วจะต้องตายมันมีทั้งเป็นทั้งตายทั้งหายไม่หาย ไค่ว่าที่จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนือโรงพยาบาลของเอกชนแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างกันก็คือความกดดันทางด้านจิตใจถ้าเราต้องใช้เงินทองเสียเงินมากมันก็จะเป็นเรื่องกดดันจิตใจให้ทุกข์ให้ต้องคอย ด, ดิ้นรนหาเงินหาทองมาเพื่อไว้ใช้กับการดูแลรักษาร่างกายกับโรงพยาบาลเอกชน แต่ถ้าเร า, า, งง า, ร, า, ารักษาทางโรงพยาบาลของรัฐบาลเราก็ไม่ต้องมีความกดดันอะไรมากเพราะเราก็มีสิทธิ์ใช้บัตรทองมีสิทธิ์ใช้สามสิบาทรักษาทุกโรคมันก็ไม่ต้องมาบีบคั้นทางด้านจิตใจให้ดิ้นรนหาความหาเงินหาทองมาเพราะว่านอกจากการบําบัดทุกความรุนสุขของทางร่างกายแล้ว เป้าหมายใหญ่กว่านี้ก็คือการบําบัดทุกความนุ่งสุขทางจิตใจนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่แบบมากน้อยสันโดษถ้าอยากจะดูอย่างตัวอย่างก็ดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเองนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่แบบมากน้อยสันโดษจริงๆท่านอยู่โคนไม้นสมัยที่พระพุทธเจ้าบําเพ็ญ ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมนี้ไม่มีวัดไม่มียาวัดวาอารามไม่มีที่อยู่อาศัยสมัยนั้นนักบวชส่วนใหญ่จะนิยมไปอยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าด้วยการทำเพิงทำอะไรของชั่วข้าวที่พักชั่วข้าวไว้สำหรับบางแดดบางฝนเพื่อที่จะได้มีที่จะได้ใช้ในการบำเพ็ญ ปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจพะพุทธเจ้าทรงสอนพระทรงได้ปฏิบัติมาแล้วในเรื่องการอยู่การใช้ปัจจัยสี่ของพระภิกษุเรื่องอาหารท่านก็สอนให้อาศัยการบินธบาตเป็นกิจวัตรเป็นหน้าที่ที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้เลี้ยงด้วยการบินธบาตรให้ถือบาทไปในบ้านแล้ว ก็ให้ผู้ที่มีศรัทธาอยากจะทำบุญทำทานได้ถวายอาหารชนิดต่างๆจะถวายอาหารชนิดไหนก็เป็นไปตามศรัทธาของผู้ถวายไม่เรียกไม่เรียกร้องว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นเป็นอาหารชนิดนี้ยินดีตามมีตามเกิดแล้ก็ยินดีพอพอให้อยู่ได้ก็พอมีบาตใบเดียวถ้า อาหารเต็มบาทแล้วก็ให้หยุดบินตบาตได้ไม่ต้องให้หามากไปกว่านั้นเพราะก็มากไปกว่านั้นก็กินไม่หมดอยู่ดีก็ต้องทิ้งไปหรือให้คนอื่นไปส่งสอนให้มากน้อยสันโดษด้วยการบินธบาต ท, ที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามโคนไม้เพราะเป็นที่ที่สงบด้วยอยู่ตามป่านั่นเองโคนไม้ก็คือไม้ในป่าในในเขา ที่่างไกลจากบ้านคนที่วุ่นวายที่มีเรื่องมีราวมันอยู่ในป่าในเขาแล้วมันสงบเหมาะกับการที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกบงรุงสุขให้แก่จิตใจ mm hmm. เครื่องนุ่งห่มก็ให้ใช้ผ้าที่เขาทิ่งไว้ในป่าชาไปเก็บผ้าในป่าชาที่เรียกว่าผ้าป่าหรือผ้าบางสกุลนี่ เป็นผ้าที่เขาใช้หอ่อศพในสมัยพุทธกาลจะไม่ฝังศพจะไม่เผาศพกันสำหรับคนที่ยากจนคนที่ไม่มีไม่มีปัญญาเขาก็จะเอาผ้าหอ่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าให้มันเน่าเปื่อยไปเองตามธรรมชาติพอร่างกายเน่าเปื่อยไปแล้วผ้ามันก็ยังใช้ได้อยู่ นักบวยก็จะไปเก็บผ้าห่อศพเหล่านี้มาตัดเย็บซักย้อมให้เป็นผ้าจีวร น, นุ่งห่มเราจึงมีธรรมเนียมชักผ้าบางสกุลกันในสมัยนี้ในงานศพนี่เราก็จะจำลองเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลสมัยที่พระท่านพระท่านไปชักผ้าห่อศพนี้เอง นึกถึงผ้าผ้าของผ้าที่เอาแปลวผ้าที่หอ่อศพศพที่เปื่อยเน่าแห้งกรอบเหลือแต่กระดูกแล้วนี่นก็จะไปไปชักผ้าไปถอดผ้าออกจากร่างกายผ้ามันก็ต้องเปื้อน ด, ด้วยน้ำหนองน้ำเลือดอะไรต่างๆท่านก็เอามาซักเอามาย้อมแล้วเสร็จแล้วก็เอามาตัด มาตัดมาเย็บมาต่อให้เป็นผ้าจีวรผ้าสบงผ้าสังคติเป็นผ้าไตรหนึ่งชุดขึ้นมานี่แหละคือการอยู่ของของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือของพระพุทธเจ้าและพระอาริยรสงสารกทั้งหลายยารักษาโรคท่านก็ใช้ยาดองน้ำมูดน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะน้ำปัสสาวะนี่สามารถนำมาดองเป็นยาดองได้ ดองพวกสมอพวกขวนม้บางอย่างเพื่อที่จะเอาน้ำที่ได้จากการดองนี้มาเดี่มเป็นยารักษาโรคภัยของทางร่างกายได้อันนี้เป็นวิธีรักษาโรคสมัยโบราณสมัยพุทธกาลไม่มีโรงพยาบาลไม่มียาชนิดต่างๆเหมือนอย่างที่เรามีกันในยุคนี้ท่านก็ใช้ยาดองน้ำมูลกันรักษามันไปตามมีตามเกิด ฉันโดดคือตามมีตามเกิดรักษาหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าอยู่ไม่ได้ร่างกายทนไม่ไหวก็ตายไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายไปอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามจะมีหมอมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายมันจะไม่อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรไปฉุดมันไว้ได้มันก็ต้องตายไป ไม่ควรที่จะไปวุ่นวายกับการรักษาพยาบาลร่างกายจนสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับจิตใจอย่างที่เป็นกันอยู่ในสมัยนี้มีวิธีการรักษาที่ซับซ้อน ม, มีวิธีรักษากันแบบพิสดารจนทําให้ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากในการรักษาคนแล้วก็ทําให้เป็นภาระของคนเป็น ที่จะต้องคอยเลี้ยงดูคนไข้ที่ไม่สามารถตามทำอะไรได้แล้วนอนอยู่บนเตียงไปอย่างนั้นถ้าปล่อยให้เป็นแบบสมัยพุทธกาลสมัยโบราณก็อยู่ไม่กี่วันก็ไปแล้วแต่นี่สมัยนี้ยุคนี้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆมากมายก็เลยทำให้สามารถยื้อให้ร่างกายนอนนอนเฉยๆบนเตียงได้แต่ทำอะไรไม่ได้ ก็เหมือนกับคนตายดีๆนี่ เ, เพียงแต่ยังมีลมหายใจอยู่เท่า น, นั้นเองแล้วก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการที่เห็นคนที่เราเลี้ยงอยู่ในสภาพที่ ท, ทุกข์ทรมานอันนี้เป็นการรักษาแบบเรียกว่าพิสดารไม่ใช่มากน้อยสันโดษฉะนั้นเราพูดเรานี้ไม่ต้องวิตกถ้าเราตัดสินใจไม่รับการรักษาแบบนี้ ไม่ถือว่าเป็นการโหดโหดร้ายทารุณหรือแต่อย่างใดเป็นการใช้เหตุใช้ผลใช้หลักมากน้อยสันโดษเพื่อที่จะไม่ต้องมาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับจิตใจทั้งกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยและทั้งกับคนที่ต้องมามีภาระดูแลเลี้ยงดูรักษานี่พี่พูดเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างความมากน้อยสันโดษกับ ของของยุคปัจจุบันกับสมัยพุทธกาลนี้ต่างกันคนละโลกสมัยที่พระเจ้าทรงตะทรงสิ้นพระชนนี้ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือท่านนอนตายใต้โคนต้นไม้ท่านใช้ธรรมะบำบัดใช้ธรรมะโอสถรักษาจิตใจให้สงบไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของน่่งตาย ร่างกายก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามภาวะของมันเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องยุติก็ต้องปล่อยมันยุติไปอย่าไปยื้อมันไม่เกิดประโยชน์เลยยื้อก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเหมือนคนปกตินะถ้ารักษาแล้วื้นขึ้นมาเป็นเหมือนคนปกติได้ก็ควรจะรักษาอยู่แต่ถ้ารักษาแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนคนตายนอนอยู่เพียงแต่ว่ายังหายใจอยู่เท่านั้น ก็อยไปรักษาให้มันเสียเวลาปะปางอย่าไปยื้อความทุกข์ทั้งของคนที่เป็นคนไข้และคนที่ต้องมาคอยดูแลเลี้ยงดูรักษาเพราะว่ามันจะเป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยใช่เหตุเป้าหมายของเรานี้นอกจากการบําบัดทุกข์บําลงสุขของทางร่างกายแล้วเป้าหมายใหญ่กว่านี้ก็คือการบําบัด การบำบัดทุกบํามรุนสุขทางด้านจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าจความทุกข์ความสุขของจิตใจนี้มันรุนแรงมันมากงาย ก, กว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายแล้วก็ยืนยาวนานต่อด้วยเพราะร่างกายนี้มันพอมันก็แค่ตายความทุกข์ของมันก็ความสุขความทุกข์ทางร่างกายมันก็หมดไป แต่ความสุขความทุกข์ทางใจนี้ไม่ได้หมดไปตามความความตายของร่างกายเพราะใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังต้องอยู่ต่อไปจะอยู่แบบสุขหรือแบบทุกข์ก็อยู่ที่การที่เรารู้จักวิธีบำบัดทุกข์บำบุงสุขให้แก่จิตใจนั่นเองส่วนหนึ่งก็บำบัดทุกข์บำบุงสุขด้วยการใช้หลั ก, กน้อยสันโดษ ในการเลี้ยงดูร่างกายของพวกเราถ้าเราอยู่แบบมักงมั้สันโดษนี้มันจะไม่วุ่นวายมากไม่เครียดมากถ้าเราใช้สมมุติถ้าเราใช้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูร่างกายเราเดือนละหมื่นหนึ่งเนี้ยเราก็เพ่งหาหาเงินเดือนแค่เดือนละหมื่นเราก็อยู่ได้แล้วเราก็สบายแล้วแต่ถ้าเราต้องเลี้ยงดูร่างกายเดือนละแสนเนี้ยเราก็เหนื่อยละ ไหนจะต้องผ่อนบ้านผ่อนอะไรต่างๆผ่อนซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตอีกผ่อนจ่ายค่าประกันจ่ายค่าอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายมันก็เลยสูงขึ้นไปทําให้ใจผู้ที่จะต้องเป็นคนไปหาเงินทองมามาใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้ <c oughs> มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ของพวกนี้ใช้แบบที่พระเจ้าทรงใช้ดีกว่านักน้อยสันโดษ ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหัน์เป็นผู้วิเศษแต่ทําไมการดารงชีพการเลี้ยงดูร่างกายของท่านนี้ทําไมทําเป็นเหมือนแบบขอทานอยู่เหมือนขอทานจริงๆไม่มีบ้านไม่มีช่องอยู่อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามเมือนล่างอยู่ตามเพื่อนผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามที่ที่พอจะหลบแดดหลบฝนได้แล้วก็ บินธบาตอาหารก็บิณธบาตเป็นขอทานดีๆนี่ขอทานเพียงแต่ว่าไม่ไปขอเป็นเพียงแต่ไปไปเดินแสดงว่าจะมารับอาหารมารับทานแต่ไม่ไปรบกวนใครไม่ไปเคาะประตูบ้านไม่ไปเรียกคนนั้นคนนี้ให้ออกมาใส่บาตรไหวให้เป็นไปตามศรัทธาของผู้ให้ผู้ให้อยากจะทําบุญก็ให้ถ้าไม่สะดวกที่จะให้ก็ไม่เป็นไร ครูรับไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มาลบกวนใครทั้นั้นได้เท่าไหร่ก็ยินดีตามมีตามเกิดบางวันได้แค่ข้าวเปล่าอย่างเดียวก็ยินดีกับข้าวเปล่าไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอยู่กินเพื่อบําบัดความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นเองมันทำอย่างนี้แล้วมันจะทําให้จิตใจนี้เบาสบายไม่ต้องมาเครียดกับการหาอาหารพิสดารอาหารหรูหรา ไม่ต้องมาเครียดกับการหาเสื้อผ้าพิสดารอาหารหเสื้อผ้าหรูหราม่ต้องมาเครียดกับการหาที่อยู่อาศัยแบบพิสดารหรูหราไม่ต้องมาเครียดกับการหาเงินเพื่อที่จะมาใช้กับการรักษาพยาบาลตามโรงแรมแบบหรูหร่าแบบพิสดารอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรา ใช้ความมักน้อยสันโดษในการเลี้ยงดูร่างกายของเราเพราะมันจะล ด, ะลดความทุกข์ทางด้านจิตใจไปได้เยอะเลยคิดดูว่าหาเงินเดือนเดือนละหมื่นกับหาเงินเดือนเดือนละแสนนี่อย่างไหนจะทุกข์มากกว่ากันอันนี้แล้วถ้าหาไม่ได้จะทำยังไงก็จะเครียดและดีไม่ดีก็อาจจะไปทำให้ต้องไปทำสิ่งที่เพิ่มความทุกข์ให้กับใจอีก ทอหนึง่งก็คือการไปทำบาปนั่นเองคนเราทุกวันนี้ที่ที่ทำบาปกันก็เพราะว่าเงินทองไม่พอใช้นั่นเองขาดเงินเดือนที่ได้มาไม่พอก็ลเลยต้องหาวิธีหาเงินเพิ่มด้วยวิธีการชออโกงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะได้เอามาใช้จ่ายกับการเลี้ยงดูการกินอยู่แบบรู้ราการกินอยู่แบบฟุ่มเฟือยนั่นเท่านั้นเอง แล้วก็มาสร้างความทุกข์ให้กับใจที่จะมีผลต่อจิตใจไปเป็นเวลายาวนานไม่ใช่แต่เฉพาะในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นตายไปแล้วเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาสมันยังไม่หมดมันยังแสดงผลต่อไปในรูปแบบของการไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตเป็นนัศุลกายไปตกนรกบ้าง อันนี้ก็เกิดจากการไปทำบาทททำบาทเพราะเงินทองไม่พอใช้ในการเลี้ยงดูร่างกายแบบแบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือยก็เลยต้องไปหาเงินด้วยวิธีการก็ทำบาทตายไปก็ไม่ไปเดือฉานก็ไปเป็นเปรตนี่เป็นตน้นนี่คือสิ่งที่สิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้พวกเรา ดูทำกันก็คือให้เลี้ยงดูร่างกายมันเป็นหน้าที่ของเราร่างกายนี้เราต้องเลี้ยงดูมันไม่มีใครปฏิเสธต้องให้อาหารมันต้องมีเสื้อผ้าให้มันใส่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็มียารักษาโรคแต่ให้ใช้หลักของความมากน้อยสันโดษเพราะร่างกายนี้จะเลี้ ย, ยงดูมันแบบไหนก็ตาม มันก็มีขอบเขตของมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามสภาพอย่าเลี้ยงดูแบบแบบมหาเศรษฐีหรือเลี้ยงดูแบบขอทานมันก็ไปจบที่ที่เดียวกันมันก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายคือมันก็จะไม่ไปดังนับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เป็นต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือจะเป็นคนจนคนขอทานก็ตาม แต่จะต่างกันตรงที่ความทุกข์ทางใจนี้มันจะมากน้อยต่างกันถ้าทางเป็นถ้าใช้เงินแบบเศรษฐีมันก็ต้องดิ้นรนคอยหาเงินมาอยู่ได้่ อ, อถ้าใช้แบบขอทานมันก็เพียงแต่อยู่วันกินวันไปตามมีตามเกิดไปอยู่ไม่ได้ก็ตายก็ก็เท่ากันเหมือนดีอยู่แบบเศรษฐีก็ตายอยู่แบบขอทานก็ตายแต่อยู่แบบ อยู่แบบขอทานไม่ทุกข์เหมือนกับอยู่แบบเศรษฐีอย่าเราอย่าไปคิดว่าคนมีเงินมีทองร่ำรวยนี่เขาจะมีความสุขทางจิตใจนะทั้งจิตใจนี้เขาอาจจะทุกข์มากกว่าขอทานขอทานมันไม่ต้องทุกข์มันก็ยินดีตามมีตามเกิดเพราะมันทําอะไรไม่ได้วันวันหนึ่งก็นั่งขอทานไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันก็ไม่รู้จะไปทุกข์กับอะไรแต่ถ้าเป็นเศรษฐีมันจะต้องทุกข์กับทรัพย์สมบัติทุกข์กับเงินทอง ทุกกับการดูแลรักษาเงินทอง<ม>กลางวลนกับเรื่องของธนาคารว่าจะล้มหรือไม่กลางวลนกับเรื่องบริษัทที่ไปลงทุนว่ามันจะเจ๊งหรือไม่อะไรต่างๆนี่มันเรื่องสารพัด ส, สารเพของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบเศรษฐีกันแต่ถ้าเราอยู่แบบขอทานได้น่มันไม่มีอะไรที่เราจะต้องมาทุกข์กัน เป็นผู้ตามความเป็นจริงแล้วเราเชื่อว่าขอทานนี่มันทุกน้อยกว่าเศรษฐีเพราะพระพเจ้าถึงสอนให้อยู่แบบขอทานกันอยู่แบบมากน้อยสันโดษกันอย่าฟุ้งเฟอ้ออย่าฟุ้งเฟอือใช้ตามความจำเป็นแล้วชีวิตของเราทางจิตใจมันจะความทุกข์ทางด้านจิตใจมันจะน้อยลงแต่มันก็ยังไม่หมด ความทุกข์ทางหน้าจิตใจมันยังมีเรื่องอื่นเข้ามาที่จะต้องใช้การบําบัดต่อไปเน่ยอันนี้เป็นเพียงแต่เรื่องของการบําบัดทุกข์บาบุงสุขของทางร่างกายเพื่อไม่ให้ไปส่งไม่ไม่ให้ไปสร้างความทุกข์ให้กับทางจิตใจอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำกันทุกคนพยายามเลี้ยงดูร่างกายแบบมากน้อยสันโดษกันแล้วเราจะได้มีเวลาที่จะได้เอาเวลามา บำบัดทุกบำรงสุขทางด้านจิตใจกันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่มีเวลาถ้าเราเลี้ยงดูร่างกายแบบฟุ่มเฟือยแบบหรูหราเวลาของเราทั้งหมดนี้จะหมดไปกับการคอยดูแลร่างกา ย, คอ ย, ากายคอยดูแลทรัพย์สินสมบัติต่างๆเพื่อที่จะเอามาใช้ในการดูแลร่างกายเราก็เลยจะไม่มีเวลามาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาบำบัดทุกบำรงสุขทางด้าน ทางด้านจิตใจกันวันวันหนึ่งก็มัวแต่หาเงินรักษาเงินป้องกันเงินไม่ให้เสือ่อมไม่ให้หมดไปเพื่อที่จะไดออ้อยู่แบบรู้ลาอยู่แบบเฟื่องเฟยไปเรื่อยจนวันตายตายแล้วก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรทางด้านจิตใจเลยเพราะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่จเจริญได้เสื่อมได้สุขมากขึ้นได้ ทุกมากขึ้นได้อยู่ที่ว่าเรารู้จักดูแลาทางด้านจิตใจเราหรือไม่ถ้าเราไม่รู้จักดูแลถ้าเรามัวแต่ไปทุ่มเทให้กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายจิตใจของเรานี้จะทุกมากจิตใจเราจะเสื่อมลงได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราได้มาศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรานี้ไม่ควรที่จะทุ่มเทเวลา ให้กับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเอาแบบพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเอาแบบพระอริยสงฆ์สาวกเป็นตัวอย่างมักน้อยสันโดษอยู่ตามมีตามเกิดไม่อยู่แบบถูกๆอยู่แบบคนคอคนจนแล้วก็พอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอความสุขทางร่างกายไม่ต่างกันอยู่บ้านเศรษฐีกับอยู่บ้านเอื้ออาทรมันก็เป็นบ้านเหมือนกัน หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันป้องกันภัยให้กับร่างกายได้เหมือนกันเวลานอนหลับก็ไม่รู้ว่านอนหลับในบ้านเศรษฐีหรือว่าในบ้านเอื้ออาทรมันก็เป็นบ้านเหมือนกันนั่นแต่บางทีบ้านเศรษฐีอาจจะนอนไม่หลับก็ได้เพราะเครียดอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองถึงเวลาจะนอนหลับต้องอาศัยยานอนหลับก็มีถึงจะนอนหลับได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเตือนทรงสอนพวกเราชาวพุทธ อย่าหลงไหลไปกับการเลี้ยงดูร่างกายแบบเลยเถิดแบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษมากกว่าเกิดประโยชน์ประโยชน์ทางร่างกายก็ได้เท่าเดิมไม่มากไปกว่าการเลี้ยงดูร่างกายแบบมากน้อยสันโดษแต่ของที่ได้แถามมาก็คือได้ความเรียรทางด้านจิตใจแถมขึ้นมาเห็นต้องพยายามอดอยู่แบบมากน้อยสันโดษให้ได้แล้วเรื่องความทุก ใจที่เกิดจากการที่จะต้องไปขวนขวายหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายมันจะได้เบาลงหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ถ้าเราอยู่แบบขอทานได้ยินดีตามมีตามเกิดพรุ่งนี้จะกินอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่แล้วแต่จะได้มาจากการไป บ, บิณฑบาตหรือจากการขอทานถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ต้องมาเครียดอาหารมันก็กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกัน ยังดูร่างกายได้เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีแรกในการบําบัดทุกข์บำรงสุขทางร่างกายและช่วยบําบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจด้วยเพราะการอยู่แบบมากน้อยสันโดษนี้มันจะทําให้ไม่ได้สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจมากจนเกินไปแล้วก็ยังจะมีเวลาให้กับการที่จะได้มาศึกษามาปฏิบัติวิธีบําบัดทุกข์บำรงสุขทาง ทางจิตใจอีกต่อไปด้วยพอพอเรามีเวลาแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องหาเงินมากเราก็ไม่ต้องใช้เวลาหาเงินมากอาจจะทํางานเพียงอาทิตย์ละวันก็พอทํางานแบบอิสระขายประกันหรือขายยาหรือขายอะไรพอเราเห็นว่าเราพอมีเงินพอสําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วเราก็เราก็จะหยุดทําจะได้มีเวลามาศึกษาวิธีที่จะบํำนุษ บำบัดทุกครามมุงสุขทางด้านจิตใจต่อไปมาฟังเทศฟังธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในวิธีการบำบัดทุกบรามมุงสุขป้าจะให้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนสามขั้นตอนสามขั้นบันไดในการบำบัดทุกบรามมุงสุขของจิตใจคือทาทานนักษาศีลแล้วก็ภาวนานี่เราก็มาศึกษาว่าทาทานทำอย่างไร ทำแล้วจะได้อะไรก mm. ารทําทานก็คือการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือเกินกว่าที่เราจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้หรือจะหรือจะต้องเอาไปใช้จ่ายเงินส่วนเกินเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรตายไปก็ออกไปไม่ได้ถ้าเอาเงินส่วนนี้มาสร้างความสุขให้แก่จิตใจด้วยการทําบุญทําทานในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่เราจะชอบจะทำบุญแบบไหนก็ได้ทำบุญกับวัดก็ได้ทำบุญกับโรงเรียนก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทำบุญกับสัตว์ต่างๆก็ได้สัตว์แพนจรสัตว์เช่นพวกหมาอะไรอย่างนี้หมาหมาที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีคนเลี้ยงดูหมาแมวนกนกที่เขาจับมาขังมา มาเราก็ไปทายายชีวิตให้กับเขากันอันนี้ก็เป็นการทําบุญเป็นการทําทานเป็นการแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้รับและให้เกิดคุณประโยชน์กับผู้ให้ด้วยการให้นี้ไม่ใช่มีประโยชน์เพียงแต่ผู้รับเพียงอย่างเดียวผู้รับก็ได้ประโยชน์ทางสิ่งของที่เขาได้รับไปเขาก็จะได้เอาไปใช้เยียวยา การทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายแต่ผู้ให้ก็จะได้รับประโยชน์ทางด้านจิตใจผู้ยะผู้ให้ก็จะได้รับความสุขทางด้านจิตใจได้ลดความทุกข์ทางด้านจิตใจที่เกิดจากความอยากที่จะไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดืม่มซึ่งเป็นสิ่งที่ เป็นเหมือนยาเสพติดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายด้วยการกินการดื่มการเที่ยวการดูการฟังล่านี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วก็จะติดอยากจะเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์แต่ถ้าเราแทนที่เอาเงินไปซื้อความสุขแบบนี้เราเอาเงินมาซื้อความสุขจากการทาบุญทาทาน มันก็จะทําให้ใจเหล่านี้ลดความอยากซื้อความสุขทางตาทางหูทางตาหูจมูกนิ้วกายลงได้ทุกครั้งที่เราไปทําบุญนี้เราก็ตัดการไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายลงไปแล้วการทําบุญนี้ไม่ได้ทําให้เกิดเป็นมันไม่ได้เป็นเหมือนยาเสพติดแตไม่ได้ทําให้เราติดเวลาถ้าเราไม่มีเงินทําบุญทําทานเราจะไม่หงุดหงิด ไม่ลำคาญใจไม่เหมือนกับเวลาที่เราไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินไปกินไปดื่มเวลาไม่มีแล้วมันจะงดเกลีดมันจะมันจะทุกข์แต่การทำบุญทำทานนี้กลับไม่ทุกข์กลับทำให้มีความอิ่มอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำบางทีเพียงแต่คิดถึงบุญที่เคยได้ทำไว้มันก็สร้างความอิ่มเ อ, อิบใจให้กับเราขึ้นมาได้ นี่คือเป้าหมายแรกที่พวกเราถ้ายัางเรายังมีเงินเหลืออยู่แล้วจะเอาเงินเหล่านี้ไปใช้กับของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจคือการเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภาพาชนิดต่างๆก็เอาเงินนี้ไปทำบุญอนดีกว่าทำบุญทำทานคาว่าบุญกับทานนี้เป็นเป็นเหตุและผลบุญนี้เป็นผลของของทานทานนี้เป็นเหตุทานแปลว่าอะไร ทานแปลว่าการให้บุญนี้เป็นผลที่เกิดจากการให้คือความสุขใจอิ่นใจเวลาเราให้อะไรไปเสียสละ ข, ของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นไปเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนี้เราเรียกว่าบุญทานนี้คือการให้เป็นเหตุต้องมีเหตุก่อนถึงจะเกิดผลตามมาต้องมีทานก่อนก็ถึงจะมีบุญตามมา ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกันว่าทาบุญนี้ทำกับพระทำทานนี้ทำกับผู้คลองเรือนคาราวาสอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นการทำทานเหมือนกันหมดทำกับพระทำกับวัดก็เป็นการทำทานทำกับผู้คลองเรือนทำกับสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลก็เป็นการทำทานเหมือนกัน ผลที่ได้รับก็เป็นบุญความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ญาติโยมทำความเข้าใจเพราะบางทีญาติโยมจะคิดว่าทำบุญทำทานนี้ได้น้อยกว่าทำบุญจึงจะไม่ชอบทำทำทานกันชอบทำบุญบางทีทำบุญมากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันพอไปเอาเงินไปสร้างถาวรและวัถตถุต่าง เช่สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อันใหญ่โตมโหรานซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ในสมัยพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างโบสถ์ไม่เคยสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้าสร้างแต่คนสร้างแต่พระเอาเวลามาสั่งสอนให้คนปฏิบัติธรรมให้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองนถ้าเราอยากจะทำบุญกับศาสนาให้ให้มองไปถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติ ว่าวัดนี้มีการสั่งสอนหรือไม่มีการปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่มีการสั่งสอนไม่มีการปฏิบัติมีแต่เรื่องความวงมงายเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องอะไรต่างๆนี้ทําไปก็ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับศาสนาดีไม่ดีกับกลายเป็นโทษกับศาสนาต้องไปสร้างทําบุญกับวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติ พราเมื่อมีการศึกษามีการปฏิบัติ<ม>ก็จะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานจะมีพระอริยะบุคคลที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนในโลกนี้ต่อไปยาวนานอันนี้คือการทำบุญทำทางทำกับวัดนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ต้องทำกับวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติแต่อย่าไปทำกับวัดที่มีแต่การสร้างถาวรและวัตถุต่างๆ มันไม่มีคุณมีประโยชน์กับกับผู้ที่ไปไปศึกษาเพราะจะไม่สามารถศึกษาจากทาวระวัตถุต่างๆได้ไปกาบเจดีไปกา บ, บพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตนีมันไม่มีอะไรมันไม่รู้เรื่องราวของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ก็ยันปรับความเข้าใจทราบหน่อยว่าบางทีคิดว่าทำบุญกับว่าแล้วจะได้บุญอาจจะได้บุญน้อยกว่าการทาบุญกับ <c oughs> สถานที่แห่งอื่น พอสัมสารที่อย่างอื่นก็ได้ช่วยช่ชวยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์เราด้วยกันให้อยู่ดีกินดีเมื่อเขาอยู่ดีกินดีเขาจะได้ไม่มารบกวนเรานั่นเองจนผู้ร้ายอะไรต่างๆมิจฉาชีพต่างๆก็อาจจะน้อยลงได้จากการที่เราช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าไม่ช่วยเหลือเขาเขาต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ชีวิตเขาอยู่รอด บางทีเขาก็ไม่อยากจะเป็นมิจฉาชีพแต่ก็เหตุบางเหตุการณ์บังคับให้เขาต้องไปเป็นมิจฉาชีพขึ้นมาก็ได้อันนี้ขอให้เราเข้าใจว่าทาบุญทาทานนี้ <c oughs> ได้ได้ได้ผลทางด้านจิตใจเหมือนกันทาบุญกับวัดทาทานกับวัดก็ได้ความสุขใจทาทานกับโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้ความสุขใจเหมือนกันแล้วก็มีอนิสง หลังจากที่ตายไปแล้วบุญก็สามารถส่งจิตใจนี้ให้ขึ้นไปสู่ที่สูงต่อไปได้จากมนุษย์ก็จะได้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาแต่การที่จะขึ้นไปเป็นเทวดาได้นี้เบื้องต้นก็ต้องรักษาศีลด้วยถ้าไม่รักษาศีนี้ทำบุญทาทานมากน้อยเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ใจตกต่ำได้ใจขณะนี้เป็น ใจของพวกเราตอนนี้ในขณะนี้เป็นมนุษย์กันอยู่ถ้าอยากจะป้องกันไม่ให้มันลงต่ำกว่ามนุษย์นี้เราต้องรักษาสี่ห้ากันให้ได้ถ้าเราไม่รักษาสีลห้าแล้วใจมันจะลงต่ำมันจะลงไปสู่อบายทันทีไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายไปตกนรกทาบุญอย่างเดียวไม่รักษาสี่นี้ ป้องกันการไปเกิดนายาบายไม่ได้วิธีจะป้องกันไม่ให้การไปเกิดนายาบายก็คือต้องไม่ทำบาปรักษาศีห์ห้าให้เป็นนิสัยให้ได้หรือหรือทำบาปให้มันน้อยกว่าทำบุญให้ได้แล้วเราคิดว่าเรายัางบางทีพังเผยยังต้องทำบาปอยู่บ้างบางเวลาเพื่อความปลอดภัยเราก็พยายามเอาบุญทำบุญให้มากกว่าทำบาปบุญนี้ถ้ามีกาลังมากกว่าบาป เวลาร่างกายตายไปนี้บุญนี้จะดึงใจให้ไปเป็นเทพไปก่อนให้ไปสวรรค์ก่อนยังไม่ต้องไปรับผลของบาปเพราะบาปที่ทำมันน้อยกว่าบุญกำลังที่จะดึงใจให้ลงไปอาบายมันไม่พอมันสู้กาลังที่จะดึงใจให้ไปสวรรค์ไม่ได้ดังนั้นนอกจากการทำบุญแล้วเราต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อันนี้เราจะเป็นการสร้างความทุกข์และบําบัดความทุกข์ไปในตัวเพราะบาปนี้ถ้าการทําบาปมันจะทําให้ใจเราทุกข์มันจะให้ใจเราต้องไปใช้ทุกข์รับทุกข์ในอบายถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ไม่ต้องไปรับทุกข์ในอบายทุกข์ที่จะเกิดจากการทําบาปมันก็ไม่มีแล้วก็เราก็จะได้รับบุญได้ความสุขจากการทําบุญของเราถ้าเราทําบุญทําทาน รักษาศีห์ห้าได้เราก็จะได้ได้ความสุขของระดับของเทวดาเทวดานี้มีความสุขมากกว่ามนุษย์มีความทุกข์น้อยกว่ามนุษย์แต่ก็ยังมีบ้างแต่ไม่มากเท่าถ้าอยากจะให้มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปอีกก็ต้องปฏิบัติทำขั้นต่อไปก็คือการรักษาศีล8แปดแล้วก็การไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ เรียกว่าฝึกสมถภ า, าวนาด้วยการจเจริญสติถือศีลแปดแล้วก็จเจริญสติไปหาที่เงียบๆอยู่ไม่มีใครมารบกวนจิตใ จ, จเจริญสติเพื่อทําใจให้หยุดคิดให้ได้ใจหยุดคิดนั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลย แต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวอันนี้ก็เป็นความสุขของผู้ที่ได้ปฏิบัติสมถะ ภ, ภาวนาเข้าสมาธิเข้าฌานได้ถ้าตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมสองระดับด้วยกันสวรรค์รูปประพรมถ้าได้รูปประฌานถ้าได้อารูปประฌานก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นชั้นอรูปประพรมซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดของของสังสารวัฏของการเวียนว่ายตายเกิด แต่ยังมีความสุขที่นอกเหนือจากสังสารวัฏอยู่อีกระดับหนึ่งก็คือความสุขของพานิพานที่ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปถึงระดับนั้นได้ด้วยการเพิ่มการปฏิบัติอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาให้เห็นความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงของโลก ของตายภพนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าภพต่างๆนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงแม้ว่าจะมีความสุขก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าใช้ปัญญาเห็นว่าเป็นเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องพาให้มาเกิดก็ตัดเหตุที่จะพาให้มาเกิดได้เหตุที่พาให้มาเกิดก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้ ตัดด้วยปัญญาเมื่อตัดด้วยปัญญาได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจก็หมดสิ้นไปก็จะเหลือแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงอย่างเดียวอันนี้แหละเป็นวิธีการบำบัดทุกข์บำบัดสุขทางด้านจิตใจได้อย่างได้อย่างเต็มร้อยด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาตามที่ได้แสดงมาอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาเนื่องจากภาวะของดินฟ้าอากาศค่อนข้างที่จะ ไม่แน่นอนก็เลยขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปขออนุโมทนายะถาวาเลวาหาปุราตาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางอุ ป, ปกะปติ อิชีตังปฏติตังต um ุมหังคิดว่าเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยทาณิโชติระโสยทาสพีติโยวิวาจันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติขายุโกภวะ อาพิวาทนาสิลิสะนิจังวุธาปจายโนยัตตารุธรรมะวะทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพียงช่วงเดียว เพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะมาคุยกันงนั้นใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามเองก็เข้ามาถามได้หรืออยากจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทางยูทู e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนมัสการพร า, าจ า, า้าค่ะวันนี้ ยอดทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์มี439ท่าน YouTube พระอาจารย์250ท่าน Dr.V Channel 136ท่านวิทยุออนไลน์15ท่านครั b House 16ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ113ท่านรวมทั้งหมดเป็น969ท่านเจ้าค่ะ มีคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์เจ้าค่ะสมาธิคือการฝึกสติโดยการเอาสติไปรับรู้ความรู้สึกมือสองข้างที่สัมผัสกันและร่างกายไม่ว่าจะมีความคิดอะไรเข้ามาให้ดึงสติมาที่ความรู้สึกเมื่อจิตหยุดคิดก็ไม่มีความเครียดสมองไม่สามารถปรงแต่งความรู้สึกกายใช่ไหมเจ้าค่ะ คือต้องรู้ต้องรู้ที่ลมหายใจเข้า อ, อ, อย่าไปรู้อย่างอื่นเวลานั่งสมาธิให้ดูที่ลมหายใจเขาออ้า <c oughs> ดูลมที่ปลายจมูกเวลาลมสัมผสัสเข้ามันก็จะสัมผสัสที่ปลายจมูกเวลามันออกมันก็จะออกมันก็สัมผสัสที่ปลายจมูกให้เข้าดูตรงจุดนั้นจุดเดียวแล้วไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นยให้คิดให้รู้อยู่กับนั่งลมอย่างเดียวแล้วอย่างนี้ใจก็จะหยุดคิดได้ แล้วก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้คำถามต่อไปฝากถามครับกราบนมัสการกราบขอโอกาสครับสรบรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีตัวตนดังนั้นเมื่อใดและด้วยเหตุใดจึงขาดศูนย์หรือเลิกพึ่งพิงอาศัยได้ซึ่งตัวตนครับตัวตนมันไม่มีมันเป็นความหลงที่ สต das das ue, ัตว์แต่ละตัวมันคิดขึ้นมาเองคิดว่าฉันเป็นตัวตนฉันเป็นเราแต่ความจริงมันเป็นเพียงความคิดมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วมันก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของของดวงจิตแต่ละดวงของสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละตัวนี่มีความคิดมีความรู้สึกนึกคิดก็ม<อ>ักจะคิดว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นแต่ความจริงมันไม่มีตัวตนมันเป็นความคิด คิดว่าเป็นเราว่าคิดว่าเป็นเขาแต่มันไม่มีเขาไม่มีเรามันเป็นมีสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปร่างกายมันก็ตั้งขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปความคิดมันก็คิดแล้วมันก็หยุดไปแล้วเมื่อคิดใหม่มันก็มีแต่ความคิดที่เกิดดับเกิดดับร่างกายก็เกิดดับเกิดดับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศมีฝนตกมีแดดออก มีน้ำท่วมมีพายุมีอะไรมันก็เป็นเรื่องฟังมันไม่มีตัวตนในเหตุการณ์เหล่านี้ในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวคิดมันก็เลยไม่ได้ไปคิดว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาแต่พอสิ่งไหนมีตัวคิดตัวคิดมันก็ไปหลงคิดว่าเป็นตัวตัวูของกูขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาน้อมกราบถามเจ้าค่ะการทาอาหารไปใส่บาต กับซื้ออาหารสำเร็จอันไหนจะได้บุญเท่ากันไหมเจ้าคะเท่ากันน่ถ้าถ้าถ้าจ่ายเท่ากันมันก็บุญเท่ากันบุญมากบุญน้อยอยู่ที่จ่ายมากจ่ายน้อยมากกว่าคำถามต่อไปจาก Facebook จากคุณเหล็กสมรักกวดนอกลูกกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ ตอนที่พระอาจารย์ปฏิบัติใหม่ๆที่วัดหลวงตาได้ไปปฏิบัติในป่าหรือว่าปฏิบัติอยู่แต่ในกุฏิเจ้าคะก็แนวัดก็เป็นป่าก็ทั้งทั้งข้างในกุฏิทั้งข้างนอกกุฏิมันก็ก็ปฏิบัติบางทีก็ไปหาที่มันห่างไกลาจากกุฏิที่มันเงียบเป็นป่าลึกเข้าไปก็มีมเข้าไปมีแค่อยู่มีแค่มีแค่ปลูกไว้ในป่าให้อยู่แบบเงียบ ก็มีที่ทั้งสองแบบที่กุติก็มีที่แค่ก็มีเจ้ า, าค่ะคำถามต่อไปจากคุณนาวินเรียนพระอาจารย์ครับฟังเทศแล้วมีอาการหนวกหน่วงตรงกลางหน้าผากคืออาการอะไรครับไม่ต้องไปสนใจมันนะมันเป็นอาการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราไปสนใจมันก็จะทาให้เราเสียสมาธิในการฟังได้ อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายกับจิตใจที่บางทีมันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นมาแต่มันไม่เป็นปัญหาอะไรมันเป็นปัญหาต่อเมื่อเราไปไปยุ่งกับมันไปอยากจะไปกำจัดมันซึ่งเราไม่ควรจะทำควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันให้เราสนใจให้เรามีสติอยู่การฟังเทศไปเรื่อย ในเวลานั่งสมาธิใกล้มีสติอยู่การดูลงไปจะมีการอาการอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใ จ, จมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวที่สำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญกับมันมันจะทำให้เราเสียสติเสียสมาธิได้คำ <c oughs> ถามต่อไปจากคุณน้าฝนปาปากาักังสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเราต้องทำใจอย่างไรกับความลำเอียงของแม่ ที่รักรูปไม่เท่ากันเจ้าค่ะก็ทําใจเหมือนกับฝนกับฝนฟ้ากันฝนมันจะตกเราก็ห้าม ม, าามันไม่ได้น้ําจะท่วมเราก็ห้ามมันไม่ได้อันใดใจของคนมันก็เอียงไปเอียงมาตามตามความตามอคติของใจใจแต่ละดวงนี้มีความรักชังกลัวหลงไม่ไม่เหมือนกันรักบางสิ่งชังบางสิ่งไม่เท่ากันน ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงว่าเขาเอียงก็เอียงไม่ใช่เรื่องของเราเราอย่าเอียงก็แล้วกันเราพยายามทําใจเราให้เป็นกลางดีที่สุดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ลําเอียงกับใครพูดไปตามเนื้อผ้าพูดไปตามความเป็นจริงปฏิบัติไปตามความเป็นจริงดีก็ต้องว่าดีไม่ดีก็ต้องว่าไม่ดีไม่ใช่คนที่เรารักแล้วไม่ดีก็ว่าดี อย่่างนี้ไมถูกเจ้าค่ะต่อไปคําถามจากคุณหนุ่มทยาวัจเจ้าค่ะขอน้อมกราบนมัสการพระอาจารกระผมขอถามว่าการทําทานกับพระอารหันต์กับคนตกทุกข์ได้ยากอยาก่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับบุญที่เกิดจากการให้เท่ากันให้เงินร้อยบาทพระอรหันต์ให้เงิน ร, ร้อยบาทขอทานก็ได้ความสุขจากร้อยบาทเหมือนกัน แต่สิ่งที่เราได้จากภาะอรหันต์กับขอทานนี้ไม่เหมือนกันทำบุญกับภาอรหันต์อาจจะได้ธรรมะอันเลิศอันประเสริฐจากภาาอรหันต์ทำให้เราอาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้ทำบุญกับขอทานขอทานก็จะสอนวิธีขอทานให้กับเราเราก็อาจจะไปเป็นขอทานเหมือนเขาก็ได้<ม>ก็ได้ต่างกันตรงนี้แต่บุญคือความอิ่มใจสุขใจที่เกิดการเสียสละแบ่งปันนี้ได้เท่ากัน เสียร้อยก็มีความสุขใจให้กับผ้าอะหารแลให้กับขอทานหรือแม้แต่ให้กับสุนัขก็เกิดความสุขใจอิงใจเหมือนกันแต่ผลที่ได้รับจากบุคคลที่เราไปให้นี่ไม่เหมือนกันให้ผ้าละหารผ้าละหารก็จะให้ให้เราเป็นผ้าละหารได้ให้ขอทานขอทานก็จะให้เราเป็นขอทานได้ให้หมาเราก็อาจจะได้เป็นหมาเหมืันก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะให้เรามันก็ต้องให้สิ่งที่มันดี หมามันก็ต้องให้ความเป็นหมากับเราขอทานก็ต้องให้ความเป็นขอทานกับเราผ้าหลานท่านก็ให้ความเป็นผ้าหลานกับเราอันนี้จะต่างกันกนนศึกษาถ้าเวลาทําบุญก็ให้เลือกถ้าเราอยากจะได้อะไรจากคนรับเราอยากจะได้ของดีๆเราต้องเลือกคนที่มีของดีๆแจกทาบุญกับพระเจ้าเนี่ยได้ของดีได้นิพพานทําบุญกับขอทานก็ได้วิธีไปขอทานทาบุญกับขโมยก็จะได้วิธีไปขโมย <c oughs> คำถามต่อไปจากคนดีสี่สังคมมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะกลับยนถามดังนี้เจ้าค่ะข้อหนึ่งโอวัตินนมนมเปรี้ยวมะขามช็อกโกแลตถือเป็นปลานะาใหมเจ้าค่ะของบางอย่างนี้ถ้ามันอยู่ในกลุ่มอาหารก็เป็นปลานะาไม่ได้เป็นของที่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไม่ได้ พวกนมนี้ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของอาหารโอวัลตินก็อยู่ในกลุ่มของอาหารแต่ช็อกโกแลตนี้อยู่ในกลุ่มของยาเพราะเป็นโกโก้เป็นน้ําตาลน้ําตาลถือว่าเป็นยาเป็นเภสัชโกโก้เป็นผงผงโกโก้ผงชาผงกาแฟนี้ถือว่าเป็นยาได้ก็รับประทานได้หลังเที่ยงวันไปแล้วแต่พวกที่เป็นเป็นนมถั่วเหลืองนมผงนมอะไรนี่มาผสมใส่กับกาแฟอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าจะดื่มกาแฟาก็ลองดื่มกาแฟาดำใส่น้ำตาลได้แต่ใส่นมใส่คอฟฟี่เมดไม่ได้คาถามข้อที่สองเจ้าค่ะ <c oughs> เวลานั่งสมาธิบางครั้งจะเห็นเหมือนกำลังจะลงเหวจึงดึงตัวกระกับทุกครั้งเพราะกลัวความสูงเจ้าค่ะควรทำอย่างไรเจ้าคะปล่อยมันตกไปไม่ต้องกลัวข้างล่างมีเบานะหนาๆรองรับอยู่ ลงแล้วสบายพอถึงว่าบาะนอนได้เลยนอนสบายไปเลยนั่นแหละคือขณะที่จิตจะลงเข้าสู่ความสงบมันมักจะเหมือนตกจากที่สูงงั้นเราอย่าไปตื่นเต้นตกใจเพราะมันจะดึงใจให้กลับออกมาให้รู้เฉยๆให้อยู่กับพุโทโธต่อไปดูลมต่อไปมันจะตกลงไปก็ปล่อยมันตกไปถ้าเดี๋ยวรอวมันถึงถึงพื้นมันจะรู้สึกโอ้่นิ่มนุ่มสบายนอนต่อสงบ ใจนอนไม่ได้ร่างกายนอนนะไปใจอ ย, ย่านิ่งสงบเยน็นสบายขึ้นมาถ้าเรากลัวมันก็จะไปไม่ถึงจุดนั้นมีคำถามจากเฟ e บุ๊กจากคุณเจซีกราบในมัสการพระอาจารย์เจค่ะการผิดศีลข้อที่สาโดยที่เราไม่รู้ตัวบาปกรรมนี้จะติดตัวเราไปถึงภพชาติไหนคะมันว่าทำไงไม่รู้ตัว มันคนไม่รู้ตัวมันทําทําบาปไม่ได้หรอกมันต้องรู้เช่นคนนอนหลับนี่ไปทําบาปไม่ได้คนหมดสตินี่ทําบาปไม่ได้คนมันต้องมีสติถึงจะทาบาปได้ทําอะไรมันต้องมีสติ <S S S S S S นะคนที่ทําอะไรได้ถือว่าเป็นคนมีสตินอกจากว่าคนที่เขาเรียกว่าสลิปวอล์กเลนอนหลับนอนหลับก็ยังเดินไปไปทําผิดศีลได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าผิดหรือเปล่า แต่แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกมันเป็นความเสียแจ้งมึงเป็นศสียถนนชัยมากกว่าผอไม่รู้ไม่รู้มันจะเดินไปหาคนที่เราอยากจะนอนด้วยได้ยังไง <c oughs> มันต้องรู้สิใช่ไหมโอเคเจ้าค่ะจากดกร์นดอตอร์ช<า>วชนจากคุณคณิถาเจ้าค่ะฟังธรรมะจากเยรวันนีใช้สมาธิรักษามะเร็งช่วยได้มากเจ้าค่ะ<ว><ว><ว><ว> แล้วการปฏิบัติธรรมนี้ปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ไม่ว่านั่งหรือนอนใช่ไหมคะได้ทุกแห่งทุกคนเพราะเราปฏิบัติด้วยสติปฏิบัติด้วยใจเราไม่ได้ปฏิบัติด้วยร่างกายแต่ในช่วงที่เราเริ่มฝึกปฏิบัตินี้เราต้องอยู่ในท่าที่ไม่สบายเกินไปถ้าเราปฏิบัติในช่วง<ม>ในท่านอนหลับมันจะหลับซะก่อนมันจะไม่ได้ผลจากการปฏิบัติ งั้นเวลาที่เรายังไม่ปฏิบัติไม่เป็นยังปฏิบัติไม่ได้นี่เราต้องปฏิบัติในท่าเดินยืนนั่งอย่างเดียวอย่าไปปฏิบัติในท่านอนเพราะถ้าปฏิบัติในท่านอนเดี๋ยวมันจะหลับความมันหลับ ก, ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัตินแต่ถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้วถึงแม้เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงเราก็ยังปฏิบัติได้ใช้สติใช้ปัญญามากําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ <c oughs> เจ้าค่ะคถามจาก y youtube เจ้าค่ะจากคุณธรรมวิถีนายบันเทิงพณโชดกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับใช่ผู้รู้ผู้คิดหรือเปล่าเมื่อเราคิดแต่อีกจิตหนึ่งคิดตามเราหรือว่าจิตปรุงแต่งเองครับส่วนใหญ่มันก็เป็นแต่ความคิดปรุงแต่งนั่ควกปรุงแต่งไปถ้าเรารู้ก็แสดงว่าเรามีสติหรือว่าเรากาลังคิดอะไร ถ้าเราไม่ไม่มีสติเราก็จะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรบางทีเราทำสองอย่างกำลังแปลงฟันอยู่แต่เราก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้บางทีมันก็เลยไม่รู้ว่าเรารู้อะไรกันแนะ่รู้ว่าเราแปลงฟันอยู่หรือว่ารู้ว่าเราคิดบางทีมันวิ่งไปวิ่งมามันเลยบางทีมันก็เลยงงว่าเราแปลงฟันเสร็จหรื อ, อยังแปลงไปถึงไหนแล้วคำถามจากเฟซบุ๊เจ้าค่ะคุณสุภตายมโคตร ต้อมกับในมัสการพระอาจารย์การเจริญสมาธิโดยไม่ต้องนั่งเราปฏิบัติในขณะทํางานไปเรื่อยดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยก็ถือว่าเป็นสมาธิได้ใช่ไหมเจ้าคะเป็นสติไม่ใช่เป็นสมาธิ ส, ส, สมาธินี้ต้องจิตต้องนิ่งสงบไม่คิดไม่ทําอะไรเลยถ้ายังมีการกระทําอยู่นี่ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิเป็นการเจริญสติ คำถามต่อไปจากคุณแสงเดือนแกรบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมโอนเงินไปให้คนอื่นคนนั้นนําเงินไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารถวายพระโยมจะได้บุญเท่ากันกับการปรุงเองถวายเองไหมเจ้าค่ะได้พเพราะว่าเราจ่ายค่าปรุงค่าทําอาหารให้เขาไปด้วยก็ถือว่าเราได้ทั้งทั้งจ่ายค่าอาหารในจ่ายค่าปรุงไปด้วยแล้วกเ็เราก็ได้เต็มที่เหมือนกับเราทําเองไปซื้อกับข้าวมาทําเอง <c oughs> ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะเวลาทำบุญนี้ขอให้ดูการเสียสละปริมาณของการเสียสละเป็นหลักก็แล้วกันเราเสียสละเท่าไหร่เราก็จะได้บุญเท่านั้นเสียสองเท่าก็ได้บุญสองเท่าเสียสามเท่าก็ได้บุญสามเท่ามไม่ไม่ต้องไปกัวงวลกับ ว, ว่าวิธีว่ามันจะจะทำอย่างไรอากเขาทาให้เราหรือเราไปทาเอง ก็ดูปริมาณของการเสียสละของเรามันอยู่ที่ตรงนั้นเปิดเครื่องวัด ว, ว่าเราได้ทำบุญมากทำบุญน้อยไม่ได้ชนิดของบุญว่าทําบุญกระถิ่นเราจะมากกว่าได้ได้บุญจากการทําบุญท่าปา่าอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่างกันสังฆทานบุญบางสังส่วนบางสกุลสังฆทาน งานภาพป่างานกระถินงานฉลองเจดีงานฉลองโบสถ์มันอยู่ที่ปริมาณของโอยเงินที่เราบอยจาบไปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นงานชนิดไหนไม่ได้อยู่ว่าเป็นงานกระถินในงานภานพป่าถึงจะมีความบุญมากน้อยต่างกันไม่ใช่อยู่ที่การเสียสละของเราปริมาณของการเสียสละของเรา คำถ า, ถามจากคุณหนุ reveal, ่มธยาวัตเจ้าค่ะขอน้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับธรรมคือความกระตรันยูเป็นธรรมสูงสุดหรือเปล่าครับก็ถ้าถ้าก็ถือว่าได้ทํากับบุญกับพระอาหาถ้าเราเลี้ยงดูพ่อแม่เราทําบุญตอบแทนบุญกคุณของพ่อแม่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่สูงสุดอย่างหนึ่งถ้าเท่ากับได้ทําบุญกับพระอาหา ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าคะ่ะโอเคถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวฝนฟ้ากาศอาจจะตกลงมาอกีกเดี๋ยวจะวุ่นวายกันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ